ผนไม่เขียนหรอกผมมาไว้เือคนจริงต้องปฏิบัติดูของจริงคนจริงแต่บ่ปฏิบัติจริงมันก็บอก้าวหน้าแล้วอย่าให้มันถอยหลังการปฏิบัติทรมผมไปเห็ดบมทนานเนี่มาซื้อๆกันแล้วเพราะผมมาตึงคนที่กัวบาปอยู่แล้วผมผมย้ายไปตกนรก เป็นเห็นรูปบ้านผมมันแต่งรูปวาดรูปไว้ในสิ่งผมเป็นเนยเป็นเด็กน้อยเป็นหน่อยูอย่ในวัดนี่เป็นเนยคนไปตกนรกเจ้าโรงพยาบาลเอาโยนไปตกนรกตูมลงไปเอาออกมาจากนรกมาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปต้นมีวนหะนามท้องหลวงเวลาขึ้นเยมาผัดมบะห น, นี่ยตียขึ้นไปดังเทงพุ้นนามนามีวนพัก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 ตูงลงไปหอนขึ้นมาบ่นเอาไปขึ้นตรงขึ้นไปเทงพุ้นบ่นเวลาขึ้นน้ำซองลงเวลาลงน้ำซองขึ้นแห้งศบเหล็กุบทองจิกหัวลงไปนี่มันกระจำเป็นก็ต้องไปพอดีหมดกรรมหมดเวรนั้นเ่าเอา้าญพิบาลอามานอนตูมลงเพนเหล็กทองเพนเหล็กแดงอีกซื่จ้าญพิบาลเอาเสบรรทัดมาตี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 ให้มันติดต่อกันจริงๆฝึกหัดตัวของเขาจริงๆมันจะนิ่มนวนลงไปเลยถึงโบถึงที่สุดแท้กับตัวรู้จักเพราะผมวาเล่คว่ำจริงมันเป็ น, น่ต้นตัวเขาจีจ้ไปหมดถ้ามีดฟันเขาเนี่ยมันจิเลือดจี้กลับคืนเข้าไปสู่สภาพมันหมดมันจะโบออกมาทักข้างนอกเนี่ยเมื่อจบหลักสูดอันนี้อันนี้แบบคนวา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 มีแล้วในคนทุกคนบบญกเวนจะถือศาสนาพุทธก็มีสูตรนี้จะถือศาสนาชิกก็มีสูตรอันนี้เป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคน อ, คน อ, คนอมเมริกาก็มีสูตรสูตรดูเหมือนกันแต่คําพูดนั้นอาจจะไม่เหมือนกันที่ผมพูดนี่ผมเป็นคนไทยด้่ยผมก็พูดภาษาไทยสนุ๊ แต่ผมพูดภาษาไทยบทเต็นพูดภาษาทีิได้พูดเต้นนี่เป็นว่าสุดสำเร็จมเมื่อสาเร็จแล้วก็อนลู่จักมียานเกิดขึ้นว่าศาสตร์สิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมมาจัดยูตจบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจบนีมีเป็นอันที่นามาเราให้ฟังมือนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้ว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 ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงเรื่งนั้นและจึงนมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายรอพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุ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 พระธรรมของพระศาสดาสว่างเปียบืวงประทีบคอยจะจีมอดดูบัดนี้พวกเขามาทําลงเบื้งพระธรรมของพระศาสดาให้มันเป็นะเกียมเจ้าพอยุเพื่อให้เป็นหลอดไปฟฟ้าให้มันมีคนระว่างขึ้นหลงเบื้องรูมันกี่เป็นทางใดอันนี้แหละมันเป็นของจริงที่ว่าเป็นปัจจัแท้เป็นของจริงแท้